สาชตุกุมารวัตุว่าด้วยเรื่องอาชาตตุกุมารครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาอาชาตตุกุมารถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับอาชาตตุกุมารดังนี้ว่าพระกุมารเมื่อก่อนมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัดนี้มีอายุสั้นการที่พระองค์จะพึงสิ้นพระชนเมื่อยังเป็นพระกุมารเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าเช่นนั้น พระองค์จงปรงพระชนพระชนกแล้วเป็นพระราชาอาตมาก็จะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้าครั้งนั้นอาชาศสตรูกุมารดำริว่าพระคุณเจ้าเทวทัตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระคุณเจ้าเทวทัตจะต้องรู้วันหนึ่งได้เหน็บกลิดแน่พระเปล่าทรงกลัววาดวันสะดุ้งตกพระไทยเสด็จเข้าไปในพระราชวังอย่างเร่งรีบ ช่วงเวลากลางวันพวกมหาอามาตย์ที่เฝ้าประตูพระราชวังแลเห็นอาชาตสตรูกุมารมีอาการกลัวหวาดวันสะดุ้งตกพระไทยเสด็จเข้าไปในราชวังอย่างเร่งรีบช่วงเวลากลางวันจึงได้จับไว้มหาอามาตเหล่านั้นตรวจพบกลิตเน็บอยู่ที่พระเพลาจึงทูลถามอาชาตสตรูกุมารดังนี้ว่าพระองค์มีประสงค์จะทําอะไรพระเจ้าค่า อาชาติตรูกุมารตรัสตอบว่าเราประสงค์จะปรงพระชนพระชนกพวกมหาอมาทูนถามว่าพระองค์ถูกใครยุยงอาชาติสตรูกุมารตรัสตอบว่าพระคุณเจ้าเทวทัตมหาอมาทบางพวกลงมติอย่างนี้ว่าควรปรงพระชนพระกุมารข่าพระเทวทัตและค่าภิกษุทั้งหมดมหาอมาทบางพวกลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าภิกษุทั้งหลาย เพราะพวกภิกษุไม่มีความผิดอะไรควรปรงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตเท่านั้นมหาอามาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่าเมื่อควรปรงพระชนพระกุมารและเมื่อควรฆ่าพระเทวทัตทั้งไม่ควรฆ่าภิกษุทั้งหลายแต่ควรนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพวกเราจะปฏิบัติตามที่พระราชารับสั่งลําดับนั้นมหาอามาตย์เหล่านั้นคุมอาชาสตรูกุมาร ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตราชถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วกราบทูลเรื่องนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัมสสพมคตราชทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคต ร, ราชตรัสถามว่าท่านทั้งหลายพวกมหาอมาตย์ลงมติกันอย่างไรพวกมหาอมาตย์กราบทูลว่าพระเจ้าข่ามหาอมาตย์บางพวกลงมติอย่างนี้ว่าควรปรงพระชนพระกุมารข้าพระเทวทัต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 พวกเราจะปฏิบัติตามที่พระราชารับสั่งพระเจ้าเป็นพิสารจอมทัพมคตราชัสว่าท่านทั้งหลายพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะเกี่ยวอะไรพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำประกาศนิยกรรมในกรงราชครือแก่พระเทวทัตโดยประกาศว่าเมื่อก่อนพฤตกรรมของพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งเวลานี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตประพฤติสิ่งใดด้วยกายวาจา ไม่ควรเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเทวทัตก่อนแล้วไม่ใช่หรือบรรดาอามาัดเหล่านั้นพระเจ้าปิมพิสารจอมธรรมครรัฐรับสั่งให้ถอดยศพวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าควรปรงพระชนพระกุมารฆ่าพระเทวทัตและฆ่าภิกษุทั้งหมดทรงลดตําแหน่งพวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรฆ่าภิกษุทั้งหลาย เพราะพวกภิกษุไม่มีความผิดอะไรควรปรงพระชนพระกุมารและฆ่าพระเทวทัตเท่านั้นทรงเลื่อนตำแหน่งพวกที่ลงมติอย่างนี้ว่าไม่ควรปรงพระชนพระกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัตทั้งไม่ควรฆ่าภิกษุทั้งหลายแต่ควรนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พ, พวกเราจะปฏิบัติตามที่พระราชารับสั่งต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมกรัต รับสั่งถามอาชาติสตรูกุมารว่าลูกต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไรอาชาติสตรูกุมารกราบทูลว่ามอมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าค่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรดตรัสว่าถ้าลูกต้องการราชสมบัติราชสมบัติก็เป็นของลูกแล้วสรงมอบราชสมบัติแก่อาชาติสตรูกุมารอภิมาะเปชนะ ว่าด้วยพระเทวทัตส่งคนไปนลอบปลงพระชนพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าอา ช, ชาตสตรูกุมารถึงที่ประทับคลั้นถึงแล้วได้ถวายพระพรอา ช, ชาตสตรูกุมารดังนี้ว่าขอถวายพระพรขอพระองค์โปรดสั่งให้ราชบุรุษปลงพระชนพระสมณโคดมครั้งนั้นอา ช, ชาตสตรูกุมารสั่งราชบุรุษทั้งหลายว่า พวกท่านจงปฏิบัติตามคาสั่งของพระคุณเจ้าเทวทัตต่อมาพระเทวทัตสั่งบุรุษคนหนึ่งว่าพระสมณโคโดมประทับอยู่ที่โน้นท่านจงไปปลงพระชนพระองค์แล้วกลับมาทางนี้แล้วสุ้มบุรุษไวริมทางสองคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนที่เดินมาทางนี้เพียงลาพังแล้วมาทางนี้สุ้มบุรุษไว้ริมทางอีกสี่คนด้วยสั่งว่า พวกท่านจงฆ่าคนสองคนที่เดินมาทางนี้แล้วมาทางนี้ซุ่มบุรุษไว้ริมทางอีกแปดคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนสี่คนที่เดินมาทางนี้แล้วเดินมาทางนี้ซุ่มบุรุษไว้ริมทางอีกสิบหกคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนแปดคนที่เดินมาทางนี้แล้วมาทางนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุภิกขาครั้งนั้น บุรุษคนนั้นถือดาบและโล่สะพายธนูเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึง่ที่ประทับครั้นแล้วได้ยืนกลัวหวาดวันสะดุง้งตกใจจนตัวแข็งทื่อไม่ห่างจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาครับสั่งกับบุรุษนั้นผู้ยืนกลัวหวาดวันสะดุง้งตกใจจนตัวแข็งทื่อว่ามาเถิดท่านอย่ากลัวเลยลำดับนั้นบุรุษนั้นวางดาบและโล่ โปรดธนูวางไว้ณส่วนข้างหนึ่งแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วสบสีษะแทบพระยุคลบาทเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าเรียกระทาความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่มีจิตคิดประทุษร้ายคิดจะปลงพระชนจึงเข้ามาที่นี้ขอพระองค์โปรดประธานอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเพื่อสารวมต่อไปเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถิดการที่ท่านได้ทําความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่มีจิตคิดประทุษร้ายคิดเจ็บลงพระชนจึงเข้ามาที่นี้เพราะเหตุที่ท่านเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นเรายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสํารวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ จากนั้นทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทาน 2. ศีลกาัาเรื่องศีล 3. สักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทินวะถาเรื่องโทษความต่ำสามความเศร้ามองแห่งกาม 5. เนคมานิสังสักถาเรื่องอนิสงค์แห่งการออกจากกรามแก่บุรุษนั้น เมื่อทรงทราบว่าบุรุษนั้นมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดแก่บุรุษนั้นณที่นั้นแลวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 พระองค์ผู้เจริญภาษิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประกาศทมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรืบเหมือนบุคคลงายของที่ควม่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนเมีตาดีจกเห็นรูปพระองค์ผู้เจริญขาพระองค์นี้ ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำค้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับบุรุษนั้นดังนี้ว่าท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วส่งเขาไปทางอื่นครั้งนั้นบุรุษอีกสองคนนั้นปรึกษากันว่า ทำไมหนอบุรุษคนหนึ่งนั้นจึงมาช้าแล้วเดินสวนทางไปได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนักวงไม้แห่งหนึ่งคลันแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปภิกคาถาแก่เขาทั้งสองและถึงครั้งนั้นบุรุษสองคนนั้นเห็นธรรมแล้ว ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญภาษิของพระองค์ไพเราะชัดเจนยิ่งนักขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจํำผู้ข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกระปรกรุณานั้นดังนี้ว่าพวกท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้ แล้วส่งส่งพวกเขาไปทางอื่นครั้งนั้นบุรุษอีกสี่คนละถึงครั้งนั้นบุรุษอีกแปดคนครั้งนั้นบุรุษอีกสิหกคนปรึกษากันว่าทำไมหนอบุรุษแปดคนนั้นจึงมาช้าแล้วเดินสวนทางไปได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนครวงไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคลันถึงแล้ว ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปปึกคาถาแก่บุรุษเหล่านั้นคือทรงประกาศหนึ่งทานกถาเรื่องทานสองศีลกถาเรื่องศีลละถึงครั้งนั้นบุรุษสิบหกคนนั้นเห็นธรรมแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศ า, าสดาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะชัดเจนยิ่งนักขอพระผู้มีพระภาคทรงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับบรุษเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านอย่าไปทางนั้นจงไปทางนี้แล้วทรงส่งพวกเขาไปทางอื่นต่อมาบุรุษคนหนึ่งนั้น เข้าไปหาพระเทวทัตทึ้งที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่ากระผมไม่สามารถปรมพระชนพระผู้มีประภาคได้พระผู้มีประภาคพระองค์นั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระเทวทัตตอบว่าอย่าเลยท่านท่านอย่าปรมพระชนพระสมณโคดมเลยเราจะลงมือปรมพระชนพระสมณโคดมเอง โลหิตุปปาทกกรรมะว่าด้วยพระเทวทัตทําร้ายพระศาสดาจนพ่อพระโลหิตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ณนะที่ร่มเงภูเขาคิจจกรูดครั้งนั้นพระเทวทัตขึ้นภูเขาคิจจกรูดกลิ่งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่าเราจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยก้อนศิลานี้ยอดภูเขาสองข้างมาบรรจบกันรับศิลาก้อนนั้นไว้ สกเกตเซลากระเด็นจากก้อนศิลานั้นไปกระทบ ป, ประบาทของพระผู้มีพระภาคจนพระโลหิตพ่อครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแผลงพระพักได้ตรัสกับพระเทวทัตดังนี้ว่าโมคบุรุษเธอสั่งสมสิ่งที่ไม่ใช่บุญไว้มากที่มีจิตคิดร้ายคิดฆ่าทําโลหิตของตถาคตให้ห่อลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ข้อที่เทวทัตมีจิตคิดร้ายคิดฆ่าทำโลหิตของตถาคตให้ห่อนี้เป็นอนันตริยกรรมข้อที่หนึ่งที่เทวทัตสั่งสมไว้ภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตวางแผนปลงพระชนพระผู้มีพระภาคจึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบรอบวิหารของพระผู้มีพระภาคกระทำการสาธยายเสียงดังหรือกทึกกลกก้องเพื่ออารักขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงสาธยายเสียงดังอึอกทึกกลกก้องจึงรับสั่งถามท่านพระอ น, นุนว่าอา น, นุนเพราะเหตุใรเสียงสาธยายนั้นจึงดังอึกทึกกลกก้องท่านพระอ น, นุนจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่าพระเทวทัตวางแผนปลงพระชน์พระผู้มีพระภาคจึงพากันเดินจงกรมอยู่รอบๆวิหารของพระผู้มีพระภาค กระทำการสาธยายเสียงดังอึกกทึกกืกก้องเพื่ออาราขาป้องกันคุ้มครองพระผู้มีพระภาคเสียงสาธยายนั้นจึงดังอึกกทึกกืกก้องพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปบอกภิกษุเหล่านั้นว่าพระศาสดารับสั่งหาพวกท่านท่านพระอาโนนทูลรับสนองพระดารัสแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ ครั้นแล้วแจ้งให้ทราบว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําของท่านพระอานุนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรองชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่น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 พวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแับพวกเคราัหก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอนหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบิทบาทเสนาสนะ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 ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าธรรมเทศนาของตนบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของตนบริสุธรรทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกก่บพวกครหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคาที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่ง ศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีลานปัจจัยเพศบริการท่านทํากรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษาศ า, าสดาเช่นนี้ไว้โดยธรรมเทศนาศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยธรรมเทศนาจากพวกสาวก 4. ศาสดาบางท่านในโลกนี้ มีวยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มี ut, วยากรณะบริสุทธิ์วยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีวยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มี ut, วยากรณะบริสุทธิ์วยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมอง แต่ถ้าพวกเราพึงบอกกัพวกครหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอนหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศปรุระขารท่านทํากรรมใดไว้ก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายพวกสาวกย่อมรักษาศา ส, าสดาเช่นนี้ไว้โดยเวยากรณะ ศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาโดยไวยากรณะจากผูกสาวก 5. ศาสดาบางท่านในโลกนี้มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียาณทัศนะบริสุทธิ์ยาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีญานทัศนะไม่บริสุทธิ์ แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีญานทัศน์บริสุทธิ์ญาณทัศน์ของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกกับพวกครหัตก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งศาสดานั้นยกย่องพวกเราด้วยจีวรนวินทบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศป ร, รือขานท่านทํากรรมใดไว้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 ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราโดยศีลและเราก็มีหวังการรักษาโดยศีลจากพวกสาวกภิสษุทั้งหลายเรามีอาชีพบริสุทธิ์เรามีธรรมเทศนาบริสุทธิ์เรามีเว ย, ยากรณะบริสุทธิ์เรามียานทัศนะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานทัศน์บริสุทธิ์ ญานทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกย่อมไม่รักษาเราไว้โดยญาณทัศนะและเราก็ไม่หวังการรักษาโดยญาณทัศนะจากพวกสาวกภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรองชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นพระตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปอยู่ตามที่เดิมพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องอารักขานาลาคิริเปชนะว่าด้วยพระเทวทัตปล่อยช้างนาลาคิรีสมัยนั้นในกรุงราชครืมีช้างชื่อนาลาคิรีดุร้ายชอบฆ่าคนครั้งนั้นพระเทวทัตก็้าไปในกรุงราชครือแล้วไปที่โรงช้างได้กล่าวกับพวกนายควานช้างดังนี้ว่า พวกเราเป็นพระยาของพระราชาสามารถจะแต่งตั้งผู้อยู่ในตำแหน่งต่ำไว้ในตำแหน่งสูงสามารถเพิ่มเบี้ยเลี้ยงบ้างเงินเดือนบ้างท่านทั้งหลายเอาอย่างนี้เวลาพระสมณะโคโดมเสด็จมาทางตรอกนี้พวกท่านจงปล่อยช้างนาลาคิรีนี้เข้าไปพวกนายควานช้างรับคำพระเทวทัตแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอนตรวาสก ทรงถือบาตและจีวรเสด็จเข้าไปในกรงราชครึ่พร้อมภิกษุหลายรูปเสด็จดำเนินถึงตรอกนั้นพวกควานช้างแลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินถึงตรอกนั้นครันแล้วจึงปล่อยช้างนาลาคิรีเข้าไปช้างนาลาคีรีมองเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินมาแต่ไกลครันแล้วจึงชู ง, งวงหูฉันหางชี้วิ่งตรงไปที่พระผู้มีพระภาค ภิกษุเหล่านั้นเห็นช้างนาลาคีรีวิ่งมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าช้างนาลาคีรีนี้ดุร้ายหยาบคายนักชอบฆ่าคนกําลังตรงมาทางตรอกนี้พระผู้มีพระภาคโปรดเสด็จ ก, กลับเถิดพระพุทธเจ้าข่าขอพระสุคตโปรดเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภา ค, ร, กก ร, ร, ภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธออย่า ก, กลัวไปเลย ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นภิกษุทั้งหลายพระตะถาคตทั้งหลายจะไม่ประรนิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นได้ดกราบทูล พ, พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามภิกษุเหล่านั้นได้ดกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้วา่า ช้างนาลาคีรีนี้ดุร้ายหยาบคายนักชอบฆ่าคนกำลังตรงมาทางตรอกนี้ขอพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าข่าขอพระเจ้าคดโปรดเสด็จกลับเถิดพระผู้มีพระภากรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธออย่ากลัวไปเลยภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะปรงชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่น ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายจะไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นเวลานั้นคนทั้งหลายหนีขึ้นไปบนปราสาทบ้างเรือนโล้นบ้างบนหลังคาบ้างในกลุ่มคนพวกนั้นบรรดาคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเอ๋ยพระมหาสมณะโคดมรูปงามจะถูกช่างฆ่า ส่วนบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตมีความรู้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราเอย๋ยประดิวคอยดูสงครามระหว่างพระพุทธเจ้ากับช้างครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปที่ช้างนาราคีรีลำดับนั้นช้างนาราคีรีได้สัมผัสกระแสเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงลดงวงลงแล้วเข้าไปหาพระผู้มีพระภาค ยืนอยู่ตรงพระพักพระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวารูปกระพองช้างนาลาคีรีพรางตรัสสอนช้างนาลาคีรีด้วยพระคถาทั้งหลายว่ากุณชรเอ๋ยเจ้าอย่าคิดเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้ากุณชรเอ๋ยการคิดเข้ามาทำร้ายพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ุณชรเอ๋ยผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าจากชาตินี้ไปสู่ชาติหน้า จะไม่มีสุขติภูมิเลยเจ้าอย่ามัวเมาอย่าประมาทเพราะคนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่ไปสุขติเจ้านี่แหละจะกระทําเหตุให้เจ้าเดินทางไปสุขติทันใดนั้นช้างนาลาคีรีเอาว ง, งสูบละอองธุลีที่ใกล้พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วพ่นลงบนกระมอมของตนย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะเห็นพระองค์ลำดับนั้น ช้างนาลาคีรีได้กลับไปที่โรงช้างยืนอยู่ที่เดิมก็ช้างนาลาคีรีได้รับการฝึกแล้วอย่างนั้นสมัยนั้นคนทั้งหลายพากันขับร้องคาถานี้ว่าคนฝึกช้างและคนฝึกม้าบางพวกมีท่อนไม้ขอและแท่จึงจะฝึกได้พระพุทธเจ้าผู้ประสบพระคุณยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้ท่อนไม้ไม่ต้องใช้ศาสตราทรงฝึกช้างได้เลย คนทั้งหลายพากันตาหนิประนามโพนธนาว่าพระเทวทัตนี้เป็นคนบาปเป็นคนไม่มีบุญเพราะได้พยายามปรงพระชนพระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ลาบสักระของพระเทวทัตจึงเสื่อมสิ้นไปส่วนลาบสักระของพระผู้มีพระภาคกลับเจริญยิ่งขึ้นปัญจวัตุญาน ก, กถา ว่าด้วยพระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุห้าประการสมัยนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเสื่อมลาบสักระจึงพากันออกปากขอพัทหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันคนทั้งหลายจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนพวกพระสมณเชื้อสายสกยาบุตรจึงเที่ยวออกปากขอพัทหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่าพัทหาที่ดีใครจะไม่พอใจ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 เธอพร้อมกับบริษัทเที่ยวออกป่าขอพระตาหาในตระกูลทั้งหลายมาฉันจริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตําหนิครั้นทรงตําหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีคถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติโภชนะที่คนสามคนพึงบริโภคในตระกูลทั้งหลายแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยอาศัยอำนาจประโยชน์สประการคือ 1. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 2. เพื่อความอยู่ภาสุขแ่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 3. เพื่ออนุเคราะห์ตระกูลด้วยหวังว่าภิกษุที่ปรารถนาชั่วอย่าอาศัยพระพวกทำสงให้แตกกันภิกษุชั้นคณะโพชนะพึงปรับอาบัติตามธรรมครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะ พระกะตะโมรกะติสกะพระคันทเทวีบุตรพระสมุทท ต, ตะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วเดียกล่าวกับท่านเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านทั้งหลายพวกเราจะทำลายสงทำลายจากของพระสมณโคดมเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะเดียกล่าวกับพระเทวทัตดังนี้ว่าท่านพระสมณโคดมมีริธานุภาพมากพวกเราจะทาลายสง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 วัตถุห้าประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการหน้าลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวรโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบินธบาตลอดชีว si ิตภิกษุรูปใดยินดีขีดนิมนต์ภิกษุรูปนั้นมีโทษสภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบางสกุลตลอดชีวิตภิกษุรูปใดยินดีผ้าขหับดีภิกษุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตภิกษุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังภิกษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษพระสมณโคดมจะไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการนี้แน่พวกเราจะใช้วัตถุหประการนี้ชักชวนให้ประชาชนเชื่อถือท่านเหล่านั้นปรึกษากันว่าพวกเราสามารถที่จะใช้วัตถุหประการเหล่านั้นทําลายสงทําลายจากของพระสมณโคดมได้ เพราะยังมีผู้มนุษย์ที่เลื่อมใสในการปฏิบัติปออ น, อนครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้วถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรสัสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกํก า, ากจัดอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารกความเพียโดยประการต่างๆวัตถุ5ประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกําจัดอาการน่าลืมใสการไม่สะสมการปรารกความเพียโดยประการต่างๆข้าพระพุทธเจ้าขอประทานวโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ 2. ภิสษุทั้งหลายควรเที่ยวบินทบาตลอดชีวิตภิกสุรูปใดยินดีกิดนิมนต์ภิสุรูปนั้นมีโทษ 3. ภิสษุทั้งหลายควรถอผ้าบางสกุลตลอดชีวิตภิกสุรูปใดยินดีผ้าฆ้าบดีพิกสุรูปนั้นมีโทษ 4. ภิสษุทั้งหลายควรอยู่โคลนไม้ตลอดชีวิตภิกสุรูปใดอาศัยที่มุงที่บังภิษุรูปนั้นมีโทษ 5. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษพระผู้มีพระภาคตรัสถรมว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ป่าเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงอยู่ในแลกบ้านเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงเที่ยวบินบาเถิดภิกษุรูปใดปรารถนาก็จงยินดีกินนิมนเถิด ภิกษุรูปใดปราถนาก็จงถือผ้าบังสกุลเถิดภิกษุรูปใดปราถนาก็จงยินดีผ้าข้าบดีเถิดเทวทัตเราอนุญาตถือเสนาสนะตามโคนไม้แเดือนเท่านั้นเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสไม่ได้นึกสงสัยครั้งนั้นพระเทวทัตร่าเริงดีใจว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการเหล่านี้พร้อมกับบริษัทลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปพระเทวทัตโคสนาวัตถุห้าประการสมัยนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทก็ไปยังกรุงราชครึใช้วัตถุห้าประการชักชวนให้ประชาชนเชื่อถือด้วยกล่าวว่า พวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมทูลขอวัตถุห้าอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการหน้าลื่มใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆวัตถุห้าประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัด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 แต่พระสมณโคดมไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าประการเหล่านั้นพวกเราจงสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการเหล่านี้เถิดบรรดาประชาชนเหล่านั้นพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสมีความรู้ไม่ดีกล่าวว่าพระสมณเื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้ประพฤติกาจัดกิเลสประพฤติครื่งครัส่วนพระสมณโคดมมากมา ก, มากดำริเพื่อความมากๆ ส่วนพวกมีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีความรู้ดีก็ตําหนิประนามโพลทนาว่าจไหนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลายสง์เพื่อทําลายจากของพระผู้มีพระภาคเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตําหนิประนามโพลทนาว่าจไหนพระเทวทัตจึงเพียรพยายามเพื่อทําลายสง์ เพื่อทำลายจากเล่าครั้งนั้นแหละภิกษุเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตทราบว่าเธอเพียรพยายามเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายจากจริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าอย่าเลยเทวทัต เธออย่าพอใจการทำลายสงฆ์เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนักผู้ใดทำลายสงฆ์ที่พร้อมเพลียงกันผู้นั้นประสบโทษนานตลอดกับถูกไฟไหม้ในนรกนานตลอดกับส่วนผู้ใดทำสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพลียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐย่อมบรรเทิงในสวรรค์ตลอดกับอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษหนัก ต่อมาเวลาเช้าท่านพระอาน o ์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวอนเข้าไปบินธบตในกรุงราชเครือพระเทวทัตพบท่านพระอาน o n กาลังเที่ยวบินธบตจึงเข้าไปหาครั้นแล้วเดียกกล่าวกับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าท่านอาน o ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทาสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ ครั้นพระอานนอนเที่ยวบินธบาตฉันเสร็จแล้วกลับจากบินธบาตหลังจากฉันพัะตาหารแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสศก ถือบาและจีวอนเข้าไปบิทบาทในกรงราชครื่พระเทวทัตพบข้าพระองค์กำลังเที่ยวบินทบาทจึงเข้ามาหาข้าพระองค์ครั้นแล้วเรียกล่าวดังนี้ว่าท่านอานนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์วันนี้พระเทวทัตจะทำลายสงฆ์พระพุทธเจ้าข้า